อยู่ด้วยกันและไม่ชุมจื่นใจมันต่างคนต่างอยู่เริ่มต้นมาจากตรงไหนความรักที่มีทำไมเหมือนไม่ดีพอจะอยู่ด้วยกันได้ความรักหายไปไหนทำไมใจเหมือนเหือดแห้งไปเฉยเฉยใจไม่แห้งยังรักยังห่วงยังผูกพันแต่ทำไมเหมือนใจไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วข้อเท็จจริง ถึงเมื่อพูดถึงรักแต่ละคนไม่รู้ชัดๆด้วยซ้าว่าพูดถึงอะไรความรักไม่ใช่แค่คำว่าสายมีภรรยาในทะเบียนสมรสไม่ใช่แค่ความรู้สึกผูกพันกับใครเป็นพิเศษไม่ใช่แค่ความอ่อนโยนในหัวใจวูบใหญ่และยิ่งไม่ใช่แค่อารมณ์ตายตัวเกิดแล้วเกิดเลยแล้วเครื่องหมายอันใดกันแน่ที่บอกว่าความรักยังอยู่ตรงนั้นจริงๆ ความชุ่มชื่นใจคือคําตอบความรักมีหรือไม่มียังอยู่หรือเหือดแห้งไปแล้วตัดสินกันง่ายๆจากความรู้สึกเดียวคือยังมีความชุ่มชื่นใจอยู่หรือเปล่าฝ่ายหนึ่งเทคแคร์แค่ไหนถ้าอีกฝ่ายไม่ชุ่มชื่นใจก็ไม่มีความรักอยู่ตรงนั้นมีแต่การทุ่มเทของาธาตุผู้ซื่อสัตย์ฝ่ายเดียวเป็นห่วงเป็นใยกังวลสารพัดเพียงใด ถ้าอยู่ใกล้แลนึกตำกาญเด็กโอมือไม่ปลืม้มไม่ชุ้มชื่นใจอยากปลีกตัวปีห่วงอยู่ห่างๆจะต่างอะไรกับคนแปลกหน้าขี้สงสารอยู่บ้านเดียวกันกี่ปีถ้าอยู่แบบต่างคนต่างอยู่ไม่เคยชุ้มชื่นใจที่ได้อยู่ด้วยกันบ้านนั้นจะต่างอะไรจากห้องข้งคู่ อยู่ที่กันแล้วไม่ชุ่มชื่นใจมันเริ่มต้นมาจากตรงไหนยุคเราเป็นยุคของมนุษย์ฝืนใจเดินทางมนุษย์ฝืนใจทำงานมนุษย์ฝืนใจครองเรือนมนุษย์ฝืนใจเลี้ยงลูกมนุษย์ฝืนหายใจไปวันๆที่เหมือนจะเต็มใจใช้ชีวิตก็กลายพันธุ์เป็นมนุษย์วิชาการมนุษย์เดินสายมนุษย์ทาเงินมนุษย์ชื่อดังมนุษย์ทรงอิทธิพล หายากมากที่อยากเป็นมนุษย์ครอบครัวมนุษย์ครอบครัวเป็นมนุษย์ที่สนใจคนในบ้านเดียวกันเป็นความสำคัญของความชุ่มชื่นใจที่ได้อยู่ด้วยกันมนุษย์ครอบครัวประสบความสาเร็จในการทำลายความเห็นแก่ตัวเท่ากับหรือมากกว่าประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานมนุษย์ครอบครัวไม่ต้องฝืนใจเจอหน้ากัน เราเจอทีไรต่างก็มีแต่รอยยิ้มดีๆและต่างก็มีสายตาสะท้อนใจจริงที่จะเล็งแลกกันก้าวแรกง่ายๆของการเป็นมนุษย์ครอบครัวคือตัดสินใจล้มเลิกความเคยชินดิบๆเช่นชินที่จะคิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกเสมอชินที่จะพูดออกมาแต่คำเอาผิดเอาถูกเสมอชินที่จะทำเพื่อตัวเองก่อนเสมอก้าวต่อไปที่ยากขึ้น คือลงมือเอาจริงตามที่ตัดสินใจไปแล้วไม่ดูถูกเหตุแห่งความชุ่มชื่นใจแม้ด้วยการช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยแม้ด้วยคำพูดดีๆเพียงเล็กน้อยและแม้ด้วยการคิดไว้ใจกันไม่คิดเล็กคิดน้อยพอรวมกันหลายเดือนหลายปีน้ำใจน้อยๆก็รวมกันกลายเป็นแอ่งน้ำใจขนาดมากขึ้นมาทาความชุ่มชื่นใจในการร่วมบ้านกันไม่ขาดแม้แต่วันเดียว ความชุ่มชื่นใจร่วมกันไม่ขาดนั่นหละคำตอบว่าทำไมยังรักหรือกระทั่งรักมากขึ้นทุกวันพูดง่ายๆมนุษย์ครอบครัวอาจใจแห้งจากที่อื่นแต่ไม่ยอมใจแห้งที่บ้านต้องลงเอยชุ่มชื่นใจที่บ้านให้ได้